แถวนี้ท่านก็สงสัยว่าทาไมหลวงพ่อไม่เปิดรับพระหลวงพ่อเปิดรับเนี่ยร้าคงเต็มไปด้วยพระทํากุฏิสักร้อยห้องคงไม่พอเพราะท่านมาอยู่แล้วท่านคงไม่ยอมไปกัน <c oughs> หลวงพ่อเลยไม่ได้เปิดรับรับแล้วคงโอ้โหภาระเยอะเลยท่้นคงไม่ยอมกลับกันจริงๆแล้วครูบาอาจารย์ท่านก็ใช้วิธีนี้ในการสกรีน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 ภาวนาแต่บ้านแล้วไม่เอานะบ้านแล้วพาไปหาหมอนะถ้าอย่างเพิ่งเริ่มเครียดๆ เ, เลยนะมาฟังซีดีหลวงพ่อบ้างไรบ้างก็หายนะมีบางคนสามีทิ้งหนะึ่งมาฟังซีดีภาวนาสามีกลับมาบ้านเพนะบ้านร่มเย็นคันจริงหลายบ้านนะที่ผู้ชายหนีไปเพราะมันร้อนผู้หญิงหัดเย็นๆ น, นะนะบางคนเมียห น, นีไปเพราะในบ้านมันร้อน เห็นในบ้านเรานะทําให้มันร่มเย็นทําให้เป็นสวนสันที่ธรรมแห่งที่สองนะแต่ละบ้าน่ะ <c oughs> สร้างบ้านของเราเองนะให้เป็นสวนสันที่ธรรมแห่งที่สองถ้าในบ้านเราร่มเย็นเราเป็นเหนื่อยเหนื่อยลําบากต่อสู้มาจากข้างนอกนะกลับมาถึงบ้านให้มันร่มเย็นเราอยากเดียได้พักผ่อนบ้างถ้าชีวิตก็ต้องต่อสู้เต็มที่แล้วกลับมาบ้านอย่างร้อนอีก จะไปพักที่ไหนนะนอกจากโรงพยาบาโลโรคจิตไม่มีที่จะไปพักแล้วนี่ทำยังไงในบ้านเราจะร่มเย็นได้อนยะู่ที่ใจเราก่อนแก้ที่ตัวเองก่อนค่อยๆฝึกนะภาวนาไปศึกษาจิตใจของเราไปทำไมจิตใจเรามีความทุกข์ความทุกข์มันเข้ามาได้ไงคอยรู้มันไปได้ความทุกข์มันเกิดจากความปรุงแต่งเกิดจากการที่เราไปแอบคิดนั่นแหละคิดมากทุกมาก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 นกอะไรเงี้ยหากินอยู่แมวมาจับเอาไปกินพวกตกตกใจไปเดี๋ยวเดียวนะเดี๋ยวก็กลับมาหากินต่อละไม่คิดมากหรอกว่าลูกฉันโดนจับไปแล้วนะถ้าลูกฉันโดนจับไปแล้วเอาปีกตีพื้นปั๊บปั๊เนะีเสียใจตีพื้นทุบหน้าอกอนะไรเงี้ยเดี๋ยวแมวก็ได้ยินนะแมวก็มารับประทานสัตว์พวกนี้มีโมหะแต่สัตว์พวกนี้ไม่คิดมาก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 บางคนก็ถูกพลังแกก็จำได้เป็น10、10ปีท่องไว้ในใจนะผู้ดีแก้แค้น10ปีไม่สายผู้ร้ายชัดๆอาฆาตนะน <c oughs> ี่นเราหาความทุกข์ใส่ตัวเองด้วยการคิดด้วยการจำนะมีความจำขึ้นมามีการคิดขึ้นมาาหาความทุกข์มาใส่ตัวเองถ้าเราหัดเจริญสติไปมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันไม่ได้บอกให้เป็นสัตว์นะแต่บอกว่าให้มีชีวิตอยู่กับปัจจุบันนะ ปัจจุบันนี้แต่ต้กลุ่มใจอะไรนักหนาเห็นไหมปัจจุบันนี้ตอนนี้ขณะนี้ไม่มีใครรังแกเราใช่ไหมแต่กลับบ้านอาจจะถูกรังแกได้ถูกสามีรังแกภรรยารังแกแต่ขณะนี้เราไม่ถูกรังแกความคิดของเราจะรังแกเราเองได้ให้เราให้รู้สึกตัวอย่าไปหลงอยู่ในโลกของความคิดให้เรารู้สึกตัวไปเรื่อยๆให้เรารู้สึกตัวแล้วความทุกข์มันจะสั้นลงสั้นลงมันจะทุกข์ตอนกระทบเท่านั้นแหละ กระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็ทุกอยู่แค่นั้นกระทบเสร็จแล้วไม่ปรุงต่อก็ไม่ทุกต่อจบลงที่การกระทบนั่นแหละค่อยฝึกไปจะไปเราจะมีชีวิตที่โปร่งโล่งเบามีความสุขมากขึ้นมากขึ้นเน้อถ้าเราฝึกไปเรื่อยวันหนึ่งเราก็เข้าถึงภาวะอันนี้ไม่ได้ยากเกินค่อยฝึกไปชาตินี้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะชาตินี้อย่างน้อยเอาโสดาให้ได้โสดาบันไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยบางคนไปสอนกันบอกต้องทําอีกแสนชาติ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 ถ้าสภาวะใดๆกําลังปรากฏในใจเราเราก็คอยรู้ไปเช่นคนไหนขี้โมโหความโกรธมันเกิดบ่อยๆเราก็รู้ไปเรื่อยๆต่อไปจิตมันจําความโกรธแม่นพอความโกรธเกิดปุ๊บนั้สติจะเกิดเองนะสติจะเกิดเองน ะ, ะงนะไม่ใช่สั่งให้เกิดสติเป็นอนัตตามีเหตุถึงจะเกิดเหตุของมันคือการที่จิตจําสภาวะได้แม่นจิตจําสภาวะได้แม่นเพราะเห็นบ่อยๆอยนั้นหัดเห็นบ่อยๆจิตใจเราสุขก็รู้ทุกก็รู้โลภกรงหลงอะไรเกิดขึ้นมาคอยรู้ทันใจของตัวเองไปเรื่อยๆ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 โกรธรู้ว่าโกรธโลภรู้ว่าโลภทําไมหลวงพ่อบอกแค่นี้เพราะพระพุทธเจ้าสอนแค่นี้พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนมากกว่านี้นะท่านบอกดูกราภิกษุทั้งหลายจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะใช่ไหมท่าไม่ได้บอกนะภิกษุทั้งหลายห้ามมีราคาภิกษุทั้งหลายถ้ามีราคะแล้วให้รีบละเสียไม่เคยสอนเพราะฉะนั้นให้เรารู้เท่านั้นเองพอมาหัดรู้ตามที่เป็นใจค่อยโลง่ลงโลง่ลงโลง่งโขึ้นมานะความทุกข์มันขาดไปนะงั้นค่อยฝึกนะค่อยเรียน